ขหปฏิวักว่าด้วยโคสิตะขหบดีนักรุงโกสัมพีครั้งนั้นโคสิตะขหบดีเข้าไปหาท่านพระอานุนแล้วถามดังนี้ว่าที่พระผู้มีพระภาตรัสว่าทาต่ตางๆด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงตรัสว่าทาต่ตางๆท่านพระอานุนตอบว่าขหบดี จักขูธาตุรูปที่น่าพอใจและจักขู่วิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขสุขเวทนาจึงเกิดจักขูธาตุรูปที่ไม่น่าพอใจและจักขู่วิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทุกเวทนาจึงเกิด จักขู่ธาตุรูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาและจักขูวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของจักขูและรูปโสตธาตุขานาธาตุชิวหาธาตุกายธาตุ และสุดท้ายคือมโนธาตุทามารมที่น่าพอใจและมโนวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดมโนธาตุทำมารมที่ไม่น่าพอใจและมโนวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นมโนธาตุ รรมารมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาและมโนวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขหาบดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าทาต่ตางๆ ว่าด้วยหาิทธกานิขะหะบดีหาิทธกานิขะหะบดีเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถามดังนี้ว่าที่พระผู้มีพระภาตรัสไว้ว่าเรา อ, อาศัยธาตาุต่างๆภาษาต่างๆจึงเกิดเรา อ, อาศัยภาษาต่างๆเวทนาต่างๆจึงเกิดข้อนี้เป็นอย่างไร ท่านพระมหากัจจานะตอบว่ากะหบดีคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรู้ชัดว่ารูปอย่างนี้น่าพอใจเพราะอาศัยจากขวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดอันหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาอย่างนั้น แล้วรู้ชัดว่ารูปอย่างนี้ไม่น่าพอใจเพราะอาศัยจากขววิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดอันหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตายอย่างนั้นแล้วรู้ชัดว่ารูปอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะอาศัยจากขววิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอาทุก ข, ขมสุ ข, ขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดและโดยในยะเดียวกันฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิมรสทางลิ้นถูกต้องผดทพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วรู้ชัดว่าอายตนะนั้นน่าพอใจเพราะอาศัยวิญญาณละผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิด รู้ชัดว่าอายตนะอย่างนี้ไม่น่าพอใจเพราะอาศัยวิญญาณละผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดรู้ชัดว่าอายตนะอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะอาศัยวิญญาณละผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาจึงเกิดขหาบดี เพราะอาศัยท่าต่างๆผัสสะ ต, ต่างๆจึงเกิดเพราะอาศัยผัสสะ ต, ต่างๆเวทนาต่างๆจึงเกิดเป็นอย่างนี้แหลว่าด้วยพระปินโทลภารทวาชะนกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนเสด็จเข้าไปหาท่านพระปินโทลภารทวาชะถึงที่อยู่ ตรัสถามเรื่องนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มเหล่านี้ผู้แรกรุ่นมีผมดำสนิทอยู่ในปฐมวัยยังไม่หมดความร่าเริงในกามทั้งหลายถึงประพฤติพรมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานท่านพระปิโฑุระพารัตวาชะถวายพระพรว่ามหาบพิษพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ว่า มาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งจิตไว้ในสตรีทั้งหลายกราวมารดาว่าเป็นมารดาตั้งจิตในสตรีทั้งหลายกราวพี่สาวน้องสาวว่าเป็นพี่สาวน้องสาวตั้งจิตไว้ในสตรีทั้งหลายกราวทิดาว่าเป็นทิดานี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มเหล่านี้ผู้แรกรุ่นยังไม่หมดความเ่าเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติปรมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยู่ได้นานท่านภาระทวาชะจิตนั้นเป็นธรรมชาติโลเลนักบางครั้งเกิดความโลภในสตรีทั้งหลายคราวมานดาบ้างหรือคราวทิดาบ้างเป็นต้นนั้นข้อนี้มีอยู่หรือไม่ท่านภาระธวาชชะอย่างอื่นที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มเหล่านี้ ประพฤติพรมจรรย์ปฏิบัติอยู่ได้นานมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณากายนี้ขึ้นเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปพิจารณาลงเบื้องล่างแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดประการต่างๆว่าในร่างกายนี้มีผมขนเลบ ปันหนังดีเสเลตเลือดหนองน้ำตาน้ำลายเป็นต้นนั้นแม้นี่แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มเหล่านั้นปฏิบัติอยู่ได้นานท่านภาราทวาชะภิกษุเหล่าใดได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วการอบรมกายเป็นต้นนั้น ไม่ใช่กิจที่ภิกษุเหล่านั้นจะทำได้ยากส่วนภิกษุเหล่าใดยังไม่ได้อบรมกายอบรมศีลเป็นต้นนั้นการเจริญอสุภกรรมฐานเห็นความไม่งามความเป็นของสกปรกในร่างกายนั้นเป็นกิจที่ภิกษุเหล่านั้นทำได้ยากแต่ครั้นเมื่อบุคคลตั้งใจว่าเราจะใส่ใจโดยความเป็นของไม่งาม แต่อารมณ์กลับปรากฏโดยความเป็นของงามก็มีข้อนี้มีอยู่หรือไม่อย่างอื่นที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มเหล่านี้ปฏิบัติอยู่ได้นานมหาบพิตรระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดเธอทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถือ อย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกธรรมะที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีและโดยนัยะเดียวกันฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิมรสทางลิ้น ถูกต้องผลทพะทางกายรู้แจ้งธรรมอารมทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกอภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาอินทรีย์ถึงความสำรวมในอินทรีย์เหล่านั้นแม้นี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มเหล่านี้ ปฏิบัติอยู่ได้นานครั้งนั้นพระเจ้าอุตเทนได้ตรัสสันเสริมพระผู้มีพระภาคและตรัสว่าสมัยใดแม้ข้าพเจ้าเองไม่ได้รักษากายวาจาใจไม่ตั้งสติไว้มั่นไม่สำรวมอินทรีย์เข้าไปภายในวังสมัยนั้นความโลกก็ครอบงาข้าพเจ้ายิ่งนัก แต่สมัยใดข้าพเจ้าได้รักษากายวาจาใจตั้งสติไว้มั่นสำรวมอินทรีย์เข้าไปภายในวังสมัยนั้นความโลกก็ไม่ครอบงำข้าพเจ้าจากนั้นจึงตรัสสรรเสริญภาสิทธิ์ที่ได้ฟังนี้พร้อมประกาศตนเป็นอุบาสก พ, พูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ว่าด้วยโลหิตจัพรามสมัยหนึ่งมานกผู้หาฟืนซึ่งเป็นสิทธิของโลหิตจัพรามจำนวนมากเข้าไปอย่างกุฎีปากของท่านพระมหากัจานะเที่ยวเดินไปมารอบๆเล่นกระโดดปล้ำกันทรงเสียงอื้ออึงเสง่๊าว่าสมณะศีรษะโล้นเหล่านี้เป็นคนรับใช้เป็นคนวันนะตำ่ำเกิดจากบาทของเท้ามหาพรหม ท่นชาภราลตะเหล่านี้สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมลำดับนั้นท่านพระมหากจานะออกจากที่อยู่ได้กล่าวด้วยคถาทั้งหลายดังนี้ว่าพรามเหล่าใดเระลึกถึงธรรมะดั้งเดิมได้พรามเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลสูงสุดเก่าแก่กว่าพรามเหล่านั้นคุ้มครองรักษาทวารทั้งหลายดีแล้ว เพราะครอบงำความโกรธได้พรามเหล่าใดระลึกถึงธรรมะดั้งเดิมได้พรามเหล่านั้นเป็นผู้ยินดีในธรรมะและชานอันหนึง่งพรามทั้งหลายละเลยธรรมะเหล่านี้สาคัญว่าเราสาธยายมนเมาเพราะโคดถูกความโกรธครอบงามีอาชญาในตนมากประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่สะดุ้งกลัวและไม่สะดุ้งกลัวจึงประพฤติไม่สม่ำเสมอการสมทานวัดทั้งปวงคือการไม่กินการนอนบนพื้นดินการอาบน้ําเวลาเช้าและพระเวสสามของพระรามผู้ไม่คุ้งครองทวารย่อมไร้ผลเหมือนคนได้ซับเครื่องปลื้มใจในความฝันฉชนั้นหนังเสือที่หยาบการมุ่นผม การไม่ชำระฟันมนศีลและพรสเป็นตะบะของพรามนั้นการหลอกลวงไม่เท้าที่คดและการใช้น้ำรูปหน้าข้อวัดคือข้อปฏิบัติที่พัฒ น, นามาเหล่านี้พวกพรามทำเพราะต้องการอามิตรส่วนจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมพองใสไม่กุ่นมัวอ่อนโยนในสัตว์ทั้งปวง นั้นเป็นทางเพื่อถึงความเป็นพรหมลำดับนั้นมานพเหล่านั้นโกรธเคืองไม่พอใจได้เข้าไปหาโลหิตจพรามแล้วกล่าวดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระมหากัจจนะคอนขอดคัดค้านมนของพรามทั้งหลายด้วยส่วนเดียวโลหิตจพรามได้ฟังดังนั้นก็โกรธเคืองไม่พอใจและมีความคิดดังนี้ว่าคงไม่สมควรนะัก ที่เราจะพึงดาาเน็บแนมบริภาตพระมหากจานะเพราะฟังคำของมานุแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นทางที่ดีเราควรเข้าไปถามด้วยตนเองจึงเดินทางไปหาและถามถึงเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบตามจริงทั้งหมดนั้นโลหิตจพรามถามว่าที่ท่านกจนะกล่า ว, ว่าบุคคลชื่อว่าไม่คุ้มครองทวารด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่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 ที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคลนั้นและโดยในยะเดียวกันฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในสิ่งเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีอากุศลจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจตวิมุตตและปัญญาวิมุตตตามความเป็นจริง อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่บุคคล น, นั้นพรามบุคคลชื่อว่าไม่คุ้มครองทวารเป็นอย่างนี้แหละส่วนบุคคลผู้คุ้มครองทวานั้นคือโดยนัยะลงข้ามกันคือเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลภพะทางกายรู้แจ้งธรร ม, มารมณ์ทางใจย่อมไม่ยินดีในรูปเสียงเป็นต้นนั้นที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปเสียงเป็นต้นนั้นที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอปปมานจิตอยู่ละรู้ชัดเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริง อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมะที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นเมื่อได้ฟังดังนี้โลหิตเจพรามกล่าวสรรเสริญพาสิบนั้นประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตว่าด้วยเวระหันจานีพรามณี สมัยหนึ่งท่านพระอุทายีอยู่ณเขตเมืองการมันทะครั้งนั้นท่านพระอุทายีได้แสดงธรรมีกถาแก่มนกผู้หนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของปราหมณีเวราหาันจานิโคธมนกนั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจึงเข้าไปหาปรามณีแล้วกล่าวชื่นชมธรรมะที่ท่านพระอุทายีได้แสดงให้ตนฟังนั้น พระมณีเวระหันจานิโคตจึงบอกให้มานพนั้นไปนิมนต์พระอุทายีมาฉันพัตนาในวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านพระอุทายีฉันเสร็จวางมือจับบาตรแล้วนางพระมณีนั้นจึงสวมรองเท้านั่งคลุมศีรษะบนอาสนะสูงได้กล่าวกับท่านพระอุทายีดังนี้ว่าท่านจงกล่าวสมณธรรมสิท่านพระอุทายีกล่าวว่า ยังมีเวลาน้องหญิงจากนั้นจึงลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปครั้นต่อมามานพนั้นได้ฟังธรรมจากท่านพระอุทายีได้กลับมาสรรเสริญคุณของท่านพระอุทายีให้พราหมณีนั้นฟังอีกพราหมณีเวระหันจานิโคจึงกล่าวว่าเธอกล่าวถึงคุณของพระอุทายีอย่างนี้ส่วนพระอุทายีพอเรากล่าวว่า ท่านจงกล่าวท ร, ร ม, มาสิก็กล่าวว่ายัางมีเวลาน้องหญิงแล้วก็จากไปมานบนั้นจึงกล่าวว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสวมรองเท้านั่งคลุมศีรษะบนอาสนะสูงเหตุนั้นท่านพระอุทายีจึงไม่แสดงธรรมเพราะท่านผู้เจริญเหล่านั้นเป็นผู้หนักในธรมรมเคารพในธรรม พราหมณีเวราหันจานิโคตจึงบอกให้ไปนิมนต์ท่านพระอุทายีมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านพระอุทายีฉันเสร็จวางมือจักบาทแล้วนางพราหมณีนั้นจึงถอดรองเท้านั่งบนอาสนะตำ่ำเปิดผ้าคลุมศีรษะแล้วได้เรียนถามท่านพระอุทายีดังนี้ว่าเมื่อมีอะไรพระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์ เมื่อไม่มีอะไรพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์ท่านพระอุทายีตอบว่าเมื่อมีจักขุ ค, คือตาพระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อไม่มีจักขุพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่บัญญัติสุขและทุกข์และโดยในยะเดียวกันเมื่อมีโสตะคือหู เมื่อมีคานะคือจมูกเมื่อมีชิวหาคือลิ้นเมื่อมีกายเมื่อมีมโนโคือใจพระอาราหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นพระอาราหันต์ทั้งหลายก็ไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อได้ฟังดังนั้นนางปรมามณีเวรหันจานิโคธได้กล่าวชมเชยภาสิท ประกาศตนเป็นอุบาสิกาพูดถึงสาณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต